ก็เป็นมือเตะคือผมเป็นเสาที่ส ก็ไปในตทน น, น, ตนี้นนะนหลายามนมีคนตกง้นละที่ตัวเราพ่อหลังที่มาเมื่อกลางมาฟัองออกวัธถุเทศก็จำเป็นอนไ้เทศมันจำเป็นมันมีผู้หลายคนอีนกั่งฝั่งหลายก็เปิดจังมาะน่ะเปิดกสิกังออเดอร์ ไะเนี่ยพวกเราทุกคนที่มาศึกษาอย่างพระพุทธศาสนาคือชีวิตจิตใจของเราพระศาสนาถือแบบนี้คือว่าไม่สอนให้เรามีดิ์มีเดชห้องเหมนเดินอากาศบูตตามดันดินได้เมื่อไรเราไม่มีในคัมภีรก็ไม่บอกคือว่ามาสอนให้เราออกจากทุกข์เท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้พวเรารู้จักไม่ว่าเราอยู่กับทุกกินกับทุนอนกับทุกแต่ไม่รู้จักทุกเห็นนรกเป็นตะวันเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกหลวงพ่อมาบวชมาถึงมามาเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดปีออกมาบวชจนนึกได้แปดสิบกว่าปีแล้วไม่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักทางไปทางมาทางออกทางเข้าไม่รู้จัก ก, ก็เกิดเป็นคนมาก็เป็น เกิดมาธรรมดาธรรมดาแท้ๆไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรบวชก็บวชเป็นพระบ้านธรรมดาเนี่ยก็ไปอยู่ตามป่าทาเมืองพอจะมาออกบวชที้ก็คือได้ก็มาบวชมาขอบวชบวชได้ยี่สิบหกรรานี่แหละบวชมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระถ้าเป็นคนอยูนน่ยังไม่บวชกับปีนี้ก็เดินมุ้รในเต่าเรื่องออีกแั้นแหละ <laughs> นั่นแหละเป็นอย่างนั้นให้เราพยายามถ้าคนไม่รู้จักถือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่รู้จักพุทธศาสนารืยังไม่ได้ศึกเรื่องชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้เราวมัวแต่ไปให้ทานรักษาศีลอยู่ตลอดเ ว, ล, วลาเวลาทําเฉ่งกัน กลัวจะไม่ได้ทำมากกว่าคนกลัวจะไม่ได้ดีกว่าคนกลัวจะไม่ได้สูงกว่าคนเมื่อเวลาตายไปมันคิดแบบนั้นนะทำแข่งกันแล้วก็ไปซื้อเอาอีกด้วยพระก็มีแต่จึงในญาติโยมจะจับ อ, อกจับใจก็าหาเรื่องหานิทานนั่นแลื่นิทานนี่มาพูดให้ฟังอแล้วก็ใจดับใจดีเนีย่ยยกบทบาลีนั้นมาอ้างบาลีนี่มาอ้าง แต่ท่านผู้พูดนะั่นก็ไม่รู้จักเรากินใจตัวเองเน่ะก็เทศไปไงั้นแหละเนี่ยสวรรค์นรกก็ไม่รู้จักไม่รู้เลยอยู่ไกลมากไม่ใช่อยู่ใกล้ๆถ้าคนไม่รู้จักถ้าเราไม่รู้จักนี่อยู่กับเรานิดเดียวยอยู่นิดเดียวเลยสวรรค์ก็ยุบเราสวรรค์ น, นิพพานเราสร้างขึ้นมาหมด เนี่ยตอนนรกเราก็ไปสร้างขึ้นมาเองพวกเป็นเป็ดเป็นมารเป็นอันนี้ก็เราก็ไปสร้างขึ้นมาเองเป็นตัดในในแขนเป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นอันเนี้ยอยู่ใกล้ที่ครูบาอาจารย์เคยเอามาหลอกพวกเราเนี่ยทบุญจะได้ไปสวรรค์ขึ้นชั้นนั้นชั้นนี้แต่เราไม่รู้จักเนี่ยนะบัดนี้เราจะมาดูมาดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ย มันอยู่ใกล้ๆธรรมะนั่นนหละแล้วพ่อนี่หลงทางมานานแล้วการมาปฏิบัตรริธรรมะนี่ก็วางใจวางตนวางตัวเองหลไรก็ไม่ถูกเก็จะบอกให้ดูตัวเองดูตัวเองก็ดูไกลดูตั้งแต่นี้แหละดูเห็นมันเคลื่อนไหวด้วยนะแต่รู้ก็ไม่รู้จักรู้จักจะความคิดอะไรความคิดมันไปออกจากนอกตัวเราไปหาดักคนนั้นไปหาดักคนนี้ไปรักคนนั้นไปดังแย่คนนี้ รู้จักว่าอันนั้นว่าเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้หรอกไม่รู้จักแต่ว่าเดาๆไปว่าพูดเดาๆโดนๆไปไม่เคยรู้จักพอมันรู้จักเขาเนี่ยมาศึกษาแบบนี้นะยกมือรู้จักเลยเนี่ยตัวรู้สึกตัวเนี้ยเป็นของที่มีอํานาจวัฒนาที่ตรงจะพาเอาไปพาเราเข้าไปถูกสุขสุขติคือจักสวรรค์ น, นิพพาน ที่เจาพาเราเข้าไปถ้าเราหลงตัวนี้มาเห็นตัวนี้ก็เราก็หลงตัวเองในตลอดวันตายเกิดมาจนเท่าจนแฉ่ตายไปเฉยๆก็ะโยนนอนอยู่กับนี้แหละกับที่อันตัวไม่รู้เนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยพาโดนหล ง, งที่ไปตายไปแล้วก็ไปลงนรกเลยตอนนี้เราก็สร้างเดบาปอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักทําบุญเราก็ไม่รู้จักว่าบุญตัวเป็นตัวไงเนี่ยไม่เป็นเป็นยังไงตบุตัวบุญก็ไม่รู้จัก บุญนก็คือความเราทำไปไปแล้วน่ะเราได้บุญตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่เราเราลงมาจากบ้านนู้นน่ะตั้งแต่เราหาอะไรทำนู้นน่ะเราเดินทางมาเนี่ยจิตใจของเราน่ยมุ่งว่าจะมาทานนี่มาถวายทานเน่พระจิตใจเราเน่ยนะไม่คิดไปที่ไหนเราคิดว่าใจเราใจดีใจเบิกใจบานมาแต่บ้านนั่นแหละ เนี่ยนั่นละนันแะตัวบุญนะ่ะบุญน่นคือความสว่างในกิจในใจของเราคือความสะอาดคือความดีใจทานไปแล้วไม่หวังออกกลับคืนเนี่ยมันก็สุดที่ที่ไม่เอาไปกลับคืนเนี่ยมันสุดแล้วสูงสุดแล้วนั่นแนหะเจตนามาทานนะ่ยแล้วก็เราศึกษาให้ดีรักษา บ, บุญนะ่ะอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดอย่าไปโกรธอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอันดีใจนั้นก็มันอยู่กับบุญน่ะแต่มันไี้ติด ไติดบุญนั่นออกมาได้จะไปนิพพานก็ไปไม่ได้อีกแหละนั่นแหละถ้าไปติดตัวนั้นอนะ่ะเรามุ่งม่งหวังอยากจะไปเข้าไปนิพพานเพราะโลกอันนี้ยเป็นโลกที่มันมามันมารวมอยู่ที่นี่ไอ้ดีก็อยู ร, ว ม, รวมอยู่ที่นี่ชัว่วง็รวมอยู่ที่นี่ถ้าใครมีบุญวัฒนาบา ร, รมีนะนะั่นแหะจึงจะเห็นทางส่องหนทางไปเข้าไปหาสวรรค์ก็ดีเข้าไปหานิพพานก็ดีเราจะเห็นด้วยเราเป็นคนอยู่ท่นี่แหละ ลงไปนรกเราก็รู้จักถ้าสิ่งไหนที่จะไปนโลกเนี่ยเราไม่ไปเลยทางเส้นนั้นอะ่ะเราจะเห็นเราเราจะพาอวเลยเราจะผักเลยไม่ไม่เอาสลัดนี้ไปทางอื่นเว้นไปทางอื่นได้เนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยมันจะไปหาทางไปะตะวันยุ่ไปไม่ได้แหละไปไม่ถูกเพราะว่าทางตะวันเนี่ยมันเป็นมันมันรกมันไม่มันไม่เตี้ยน ทางไปสวรรค์เนี่ยมันเกียนมันแปนไปหมดเลยเหมือนทางราดยางตรงนี้แหละทํำมาอย่างไรกันเพราะว่าคนเนี่ยมันมันอยากไปตั้งแต่ทางที่โลกโลกนั่นแหละทางที่เออทางที่เป็นเกียนเนั่นแหละอันมันทำมายิงเกียนนะทางไปสวรรค์นะก็ทําทางไปทางไปนรกทํำมายิงเกียนทางไปนรกทางไปสวรรค์ทำมันจะไปยิงโลก อย่างที่เรามาทำบุญเนี่ยทำาที่ให้คนอยากมามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่อยากมาเนคนกินคนทานจากสร้างน้ำทำบุญเนี่ยมีแต่คนที่ไปตกนรกน่ะหลา ย, ลายอยากได้ไปทางนั้นเราก็ไม่ก็มีคนไปหลายเมื่อก็เตียนเนี่มีดเดี๋ยวเดวนี้นะอันทางทางมาทางวัดเนี่ยมันมันก โลกไม่มีคนมาวัดมาวามาฟังเทศฟังธรรมไม่ค่อยมาแต่ทางไปท่านโกนะ่ะคือทางไปคุกเนี่ยเคยไปยายาหยัดอยู่ในตารางไหมโอ้ยเข้าชั้นนั้นแล้วก็เข้าชั้นนี่กว่าจะไปถึงคนอยู่ในคุกในตารางนะ่ะมันต้งนานไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆเนอะจนเหลือเข้าไปโลกโอ้ยเต็มเลยหาที่พักที่นอนไม่มีเนี่ยดูสินั่นน่ะเขาปิดไว้ตั้งหลายชั้นมันนั้นยังอุดสาดดันดุดันไป เข้ให้ได้จะออกในฐาว่าออกไม่มีอะไรวันนี้ท่าไม่ถึงกําหนดะถึงกำหนดนั่นแหละถ้าใครทำไม่ดีเขาเขาก็ไม่ออกอ่ะเขาก็เพิ่มโทษไปอีกอยู่ที่นั้นตอนนั้นมันยังเสียกไปเอาไปไปไม่มีทางจะเข้ามันก็อุสาไปเลยเนี่ยทางมาสวรรค์มันลกทางไปนิพพานนั่นแหะมันเทางไปสวรรค์น่ยมันมันมันเตียนมันมันมันรกทางไปนิพพานน่ยมัน เออว่าท่านหนึ่งว่าไม่ถูกเนาะเท่ามามันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยไปเอาบุญนั่นน่ะไปสร้างน้ำทั้บุญเ น, นี่ยนี่แหละทางไปสวรรค์นะ่ะมันไม่มีคนไปเดี๋ยวไปทางนารกนั่นน่ะมันเตียนมันเตียนเพราะว่าคนนั้นมาทําชั่วหลายขวาลายขวาคนทําดีเออนี่ยนี่แหละให้เราเข้าใจอันนี้อมันอยู่กับใจใเราของเราทั้งหมดไฟนรกนั่นรู้จกักไหม รู้จากไฟนรกไหมเคยลงไปนรกกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งอะรู้ไหมเนี่ยพอจะพูดใกล้ใกล้เนี่ยแหะไม่ได้พูดไกล้หรอกเนี่ยม่นคือจากตาหูจมูกดิ้นกายใจของเราเนี่ยที่ทางไปนรกรูปเฉียงกินรสผลพระอันนั้นอริยตนาภายนอกอริยตนาภายใน น, ยนี่คือตาหูจมูกดิ้นกายใจเออิยตนะภายนอกคือรูปเฉียงกินรสผลพระธรรมลมสองอันเนี่ยไม่กระทบกันแล้วก็จิตของเราเนี่ยมันรับรู้มันเข้าไปหารู้ ไอ้ตาตานี่ยมันก็มีหน้าที่ดูเฉยเฉไอ้หูนี่มันก็ฟังดีเฉยมันก็ฟังดีเฉยแต่ว่าเข้าไปหาใจใจเป็นคนรับรู้คนเดียวจมูกได้กลิ่นดินน้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไปหาใจหมดใจเป็นคนรับรู้ใจเป็นคนตัดถินเองไปทบรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภเกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ร้ายมันก็ไปทางร้ายเนี่ยวันหนึ่งได้รับอารมณ์กี่วันเอากี่ครัง้งกี่ผลเราก็ไม่รู้จัก อย่ามาตกนรกไปกี่ขั้งกี่หนเราก็ไม่จับไปสวรรค์เปน็นยิพรรกก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแหละนี่แหละทางไปทางสวรรค์ทางอนาคตทางสังสวรรทางไปอนาคตให้พยายามให้มาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเราอย่าใช้มนติอธีที่เกิดมาเป็นคนคนนี้ทําได้ได้หลายนะเออทางเนี้ออกไปได้หลายแต่ว่าท่านไปถึง เนี่ yeah. พระยะตั้งแต่เทวดาไว้ละเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมไปท่าน่นนะมันสูตอยู่ที่นั่นเพราวกนั้นขึ้นไปสูงสุตแล้วในเมืองมนุษย์เนี่ยโลกวิลายเมืองโลกิยะที่เราอยู่ทํากันอยู่เนี่ยขึ้นไปถึงที่สุดนั้นถึงที่สูงสุดแล้วก็หมดบุญวัฒนาบา ร, รมีที่เราสร้างอยู่ในนี้แหละสร้างอยู่ในเมืองมนุษย์เราเนี่ย หมดคุณงามความดีแล้วหมดจิดแล้วทั้งนั้นอะ่ะก็เลยถอดออกเหมือนเราสอดออกจากรัศการทุกวันเนี้ยอายุหกสิปีเขาให้เขาให้ตปวจเกษียณเลยก็อย่างนี้ตรวจเกษียณแล้วก็ลงมาสร้างวาใหม่เนี่ยจะจะสร้างต่อไปนิพพานก็ไม่ได้ต้องมาสร้างเอาใหม่ลงมาสร้ ง, งเนี่ยพวกเรานี่แหละแล้วพวกเรานี่มีสิทธิ์ที่จะศึกษาต่อไปเนี่ยไปถึงนิพพานได้เพราะว่าเรารู้จักทางแล้ว เนี่ยเราอยากมาฝึกอยู่เนี่ยมันจะค่อยละอันนั้นออกละ น, นี่ออกทั้งนั้นเข้าไปทางนั้นทางนั้นเขาไปนี่มีผครูบาอาจารย์สอนให้พร้อมเนี่ยดูกายดูใจเนี่ยดูยังไงมันยังจะไปเข้าไปหาหนิพานเนี่ยให้ดูกายกับดูใจของเราเนี่ยแหละมันพาทุกมันพาไปเน่ยเราก็ต้องมาอาศัยของสองทิ่งนี่เนี่ยกายก็อาศัยใจใ จ, ใจก็อาศัยกายกายนั้นเป็นเป็นชี้ค่าขอ เป็นบ้านพักของเขาในไหนเป็นชี้ค่าของใจใจเป็นนายเป็นผู้สั่งเป็นผู้รับใช่อยากได้อะไรก็ใช่เอาบอกให้เขาพาไปอยากกินเหล้าก็ให้เขาพาไปจะไปชนไกลเล่นโ บ, บกเบียเบ้ยโบกให้โลอะไรขออะไรบอกให้กายพาไปเนี่ยถ้าอะไรใครทำผิดทีนี้ก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องให้ กายเนี่ยไปต่อต้านไปต่อสู้ก็ห่อเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ตอนเราเรารู้สึกให้เรามามาทำตะก่อนมาดูกายการเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันเห็นเดี๋ยวดูใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแตง่งให้เห็นเห็นแล้วนะเราจะทำไงเห็นแล้วให้เรารู้ให้เรารู้แล้วก็มาดูตัวการเคลื่อนไหวมาอาศัยกาย เอาเสกายกลายเป็นผู้ที่ทําให้ดูทําให้เห็นเนี่ยแล้ววันนี้ตัวรู้สึกก็เป็นผู้รู้เฉยๆคนหนึ่งเป็นคนทําคนหนึ่งเป็นคนรู้เนี่ยยกมือไปเอามือไ ป, เ อ, อไปเอามือมาอย่างเนี้ยรู้ไหมอ่นี่แหละตัวหนึ่งตัวนึงคือกายมันมันมนั่งอยู่นะมันนั่งมันเพ่งจิงจิตัวมันบอกอยู่เนี่ยอันนี้ใจอันนี้กายมันก็บอกอยแล้วกาย กายมันก็นั่นแหละมันมีใจแล้วมันก็พักเคลื่อนไหวไปมาได้เพราะบาใจมันสั่งกายมันก็เป็นรูปท่าก็มันไม่ดีมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีเหมือนเหมือนค้อนเหมือนต้นไม้ที่เป็นฟืนเป็นอะไรตายอยู่ทํามที่ถนนทางขนความไปความมาอยู่นั่นแหละนันกายของเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยใจ ใจพาไปกลายเป็นคนพาทำอย่าทำไร่ทํำนาทำสวนทาการทํางานอะไรทุกอย่างถ้าเราออกใจไปประกอบเข้าเขาเรียกว่านั่นแหละรูปทํานามทำรูปทํานามทำรูปเป็นคนทํานามเป็นคนรู้อันนี้ถ้าคนไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่รู้จากวิธีจะบอกแล้วไม่รู้จากวิธีจะเทศให้ฟัง จะบอกเอาตัวจริงให้ฟังเลยฟังใกล้ๆอยู่เนี่ยพราะเขาไม่ใกล้ๆเนี่ย ใ, ใ, ใ, ให้รู้จักเรพ่อพูดมานี่ให้รู้จักเลยนะรูปนามให้ดูเองนามนั่นอะ่ะมันเป็นอาการเฉยๆมันไม่มีตนวมือตนตัว ร, รูปเนี่ยนั่งอยู่ใครก็ใครก็รู้หรอกไปที่ไหนก็รู้ไปจับไปบายไ ป, ไปทําการทํานงานไปแบกไม่ไงหัวตัวที่ไหนมันก็รู้จักหมดหลยรู้จักตัวรูปรู้จักนามเนี่ย รูจ้จักรูปทำน้ำทำก็ภากันทําการทํางานทําการทํางานไปอยู่ที่ไหนที่ไหนจะกินเจ็ไปที่ไหนก็ตามจะเดินจะทําการทํางานจะทําอะไรก็ตามถ้าเอารู้สึ ก, กความรู้สึ ก, กไปไประกอบเขา้าก็นั่นแหละเขาเรียกว่าทํางานกับธรรมะทำการทํางานกับธรรมะธรรมะคือตัวรู้ตัวเคลื่อนต่อไหวเนี่ยบริสุทธิ์ถ้าเราทําไปเราก็ต้องอาศัยอ่ะ อาศัยความรู้สึงนั่นแหละความรู้จึงนี่เป็นของรักษาเป็นผู้ดูแลพวกเรามาตแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยมาฝึกมหาหัดเลยเพราะฉะนั้นเรามาฝึกให้รู้จกกัก จ, จิตใจชีวิตจิตใจของเราถ้าเรารู้จักรูปรู้จักนามแล้วก็จะรูปรูปจ้จักรูปทำนามทำเนี่ยรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโล ก, น, โลกน่ยคือเจ็บหับวปวดท้อง ทางกายมันเป็นโรคชนิดใดก็ตามเนี่ยก็ต้องไปหาหมอให้หมอก็รักษาให้ต้องทอยเชื่อหมอหมอว่าทําอย่างนี้บางโรคกกเขาก็รักษาหายบางโรคเขาก็รักษาไม่หายเหมือนกั น, นก็มเีเราก็ให้เขารักษาให้สิ่งที่ไหนที่พอผ่าตัดเขาก็ผ่าตัดออกให้ถึงไหนที่ผ่าตัดไม่ได้เขาก็ผ่าไม่ได้เข า, าไ ม, ไากมกก่ก็ไม่ผ่า เนี่ยอย่างที่หมอที่ไปโรงพยาบาลหมอทำให้เรานั่นแหละเขาว่าอะไรก็ต้องเคลียรเขาถ้าตายแล้วก็จำเป็นเพราะว่าเกิดมาตายแล้วไปกลัวบางทีมันก็ตายบางทีมันก็หยุดมันก็มันก็หายไปเนี่ยเกิดมาตายเท่านั้นแหละไม่มีใครจะไม่ตายไม่มีโลกอันนี้มันต้องไปผ่านทุกคนไปอยู่ชั้นไหนชั้นไหนมันก็ต้องมีต่อยู่ในชั้นพอมานจุดสวรรค์นิพพานอนนี้ มิถ اني ไหมเนี่มาอีกมิถันน่ะแต่ว่าพวกอยู่ใน เ, เป็นเป็ น, ปนอินเป็นผมเนี่ก็าตามจะได้ลงมานี่แหละนั่งกบหเหมือนกับตายออกจากชั้นสวรรค์ลงมาเกิดใหม่นั่นน่ะเข้าใจไหมเหมือนเราตายแล้วนี่ไปอยู่สวรรค์นั่นแหละนั่นก็เกิดใหม่ไปสวรรค์อีกแต่ก่จะไปใช้คมนั้นบนดหมดแล้วก็ได้ลงมาเกิดอีกถ้าคนใหนมีสวรรค์มีบุนัทธ สนามบาลมีสูงสูงก็เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นนายคนหาเอาดูเอาเป็นนายมันก็มีหลายระดับเพราะเป็ น, นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าเป็นนายที่มาอยู่รักษาในเมืองมนุษย์เนี่ยสุดแล้วแต่บุญวัฒนาบาลามีจะสร้างได้เท่าไหรก็มันจะให้เราเห็นมาอยู่นั่นแหละเป็นเพราะบุญของเราพระทเจ้ญญาสอนเรื่องบุญใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชัว่วใครทําดีสูงสุดจะได้ก็ได้เป็น เจ้าเป็นนายเป็นนายยกเต็มวันีเป็นพระเจ้าแผ่นดินนายหลวงเรามันก็เป็นไปตามลำดับไปเนี่ยเป็นเอาแต่บุญแต่กรรมของใครของมันพวกปญนิพานมันได้มาพคนนิพานไปเตลิดเลยสกเกินปนิพานไม่มีมเกิดมาในชาติใดก็ตามเนี่ยพอเนี่ยเราคไหนคนไหนเขาก็ปรารถนาอนิพานเนี่ยทางปันิพาน์คือมาเท่านี้มาดูเนี่ยมาดูจิตดยูใจของเราเนี่ย เนี่ยพอดูออกเห็นทางไปเราก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมไปนู้นแหละเรื่อยๆไปแต่เรามาปฏิบัตินี้ให้รู้จักเป็นขั้นมันตอนไปรู้จักรูปจากนามรู้จักทุกขังอันนี้จังอัตาเนี่ ย, ยทุกขังคือความเป็นทุกข์ทุกจนทนไม่ไหว พิษยิงติงตัวที่ไหนนี่เราทํำไมริ ง, ๆๆ ง, งติงเคียงพิษดรวนนั่งอยู่เฉยไหมเหรอโอยมันต้องมันมันต้องเปลี่ยนอริรยบทให้มันเนี่ยขยิบตาไมา่ได้ไหม ข, ขยิบตาได้ไหมไม่ได้ไม่ให้เคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้ไม่ให้นอนได้ไหมไม่ได้ไม่ให้นั่งได้ไหมไม่ได้ไม่ให้นอนได้ไหมไม่ได้ต้องให้นอนตามน้าที เราจะลุบเลยไหมนอนแลว้วอ่ะไม่ให้ลุกก็ไม่อะไรอีกเหมือนเราหายใจน่ะหายใจออกถ้าไม่หายใจเขา้าม่นก็ตายหายใจเขา้าถ้าไม่ไม่ออกม่นก็ตายเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันเปลี่ยนกันอยู่นั่นแหละในชีวิตของเราะนี่แหละทุกมีแต่แก้ทุกข์เท่านั้นพิ่ิงก์นึ่งดวนึกแก้ทุกข์ไม่แจ้ทุกข์อ่ะต้งแต่กินข้าวต่แท้เนี่ยถ้าหิวมันก็ทุกข์ถ้ากินมากมันก็ทุกข์ถ้าไม่กินมันก็ทุกข์ ถ้ากินพอดีพอดีนิ่มก็ทุกถ้ากินอิ่มเกินไปมันก็ทุกอีกถ้ากินพอดีพอดีเนี่ยก็สบายใจเนี่ยมันก็นั่นแหละให้ดูเอเนี่ยดูทุกขังอันนี้จังเนี่ยคือความเป็นทุกข์ทุกขังเนี่ยอันนี้จังคือความไม่เที่ยงอนัตตา ห, ตหาตัวหาตนมันไม่ ม, ม, มีเนี่ยเราเห็นไหมเจ็บหัวปวดท้องอันนี้ก็อันตัวมันจะเป็นอยู่นั้นเราก็ไม่เห็นมันไม่ได้เอามันออกก็ไม่ได้ เนี่ยอย่างรักคนชังคนอล่าเนี้ยจนได้รีตามกันไปก็มีเพราะว่าความหวงความใยความอยากได้คือความรักนั่นแหละมั น, ม, น, ม, นมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยวันนี้ก็ให้ให้เราพยายามมามาหาวันเนี้ยถ้าเรามาเข้าใจในเรื่องนี้นะความรักความชังแล้วนะมันไม่ได้มันไม่มีหรอกมีอยู่แต่ว่าเราไม่เอา มันไม่เอาคือทิ้งไปเฉยๆนี่นหะไม่เอาไปไม่ไปสนใจมันเนี่ยตัวรู้ตัวเดียวของเรานี่แหละไม่ขาดจากตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยคือตัวสติล้วเนี่ยให้ทำอะไรให้มันรู้ทำอะไรให้มันรู้รู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าตัวไม่รู้ก็ไหลออกไหลออกไหลออกเราทำรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปเต็มไปเต็มไปจนกลายเป็นมหาสตินี่เรามาเรามาฝึกมหัตัสนี่เรามาฝึกมหหัตเพื่อให้รู้เฉยๆอ่ะ ลูกเฉยๆไม่ให้เอาอะไรให้รููตามคำเป็นจริงสิ่งใ น, นที่ไม่ควรรู้นะ่ยเราก็อย่าไม่ต้องเอาให้เอาตั้งแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาให้เราเนี่ยมาให้ดูดูตัวเองได้นนจน ด, ดูแล้วก็อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไม่ต้องเอาหรอกแต่ที่แรกมันก็ต้องปฏิบัติ้บ้างนั่นแหละมันทุกพอเลยมาที่เรามาปฏิบัตินเนี่ย ทุกคราะเราไปติดในทิ่งที่มันเกิดมันเกิดทุกอย่างได้เกิดท้่เราเห็นนั่นเกะดี้เกียจที่ขั้นเบื่อหน่ายเกิดเส้นเกิดเบื่ออะไรเกิดสารพัดจะเกิดละวุ่นวายสับสนไม่อยากทําอยากนีไม่อยากทํามันร้อนมันหนาวมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล่ามันยิ้วเออมันฟุ้งซ่านลาคาญคิดอย่างนี้คิดเร่องนี้อย่างนั้นเข้ามาอย่างนั้นจบแล้วไปเอาเรื่องหนึ่งมาคิดอีก มันยังนั่นกลับไปกลับมากลับมากลับไปยังกินนั่ไปนอนจนจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับถ้าเราไม่มาฝึกม า, าหัดเนี่ยมันจะเป็นอยู่มั้นจนใจขาดตายเมื่ อ, อไหร่มันจึงคอยจะหยุดสิ่งที่เรา เ, เราเร า, เราทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้แต่พอใจขาดแล้วกระชุนที่เราสร้างไว้มันก็จะไปกับเราอีกอ่นั่นมันหมดไม่เบนนะเราเท่าเท่ากับว่าเรามาสร้างมาสร้างทุกข์ให้ตัวเอง มาสร้างสัตว์ทุกอย่างเปดเป็นเป็ดเป็นตัดเนด้ชัน้นเป็นตัดนรกเป็นอัตุรก า, ายมันวนอยู่นี่แหละกลัวจะได้เป็นมนุษย์นี่โว้ยมันไม่ใช่เป็นง่ายง่ายเป็นแต่คนนี่แหละคนก็จิตใจต่ำจิตใจต่ำแล้วก็ทำอะไรก็เอาตางแต่ ใ, จ, ใ จ, จากนึกไปอยากทำอะไรก็ทำทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ไม่มีใครมาต่อมาว่า ไม่มีใครมาห้ามด่า แ, แม่กันก็ได้จี้หัวคนก็ได้ไปฆ่าคนก็ได้ตัวแล้วแต่จะเห็นจะทำเนี่ยมันมันเป็นอยู่นั้นให้เรามาสอนแบบนี้ให้ได้ออกจากสิ่งเหล่านั้นพ้นจากสิ่งนอนไปใ ห, ให้หาเอาแต่สิ่งที่ดีๆเราสร้างไว้จึงจะได้เราเห็นแล้วจึงจะเห็นอีกต่อไปสร้างไว้แล้วเราต้องมาละมาปล่อยมาวางสิ่งที่สมควรที่จะ บางในเราก็วางไปวางไม่ให้ก็เป็นกรรมของเราเนี่ยเนี่ยเรารู้รู้จักแล้วเราบอกเนี่ยต้องรู้จักวิธีวิธีเจ้ทาทุกออกนะวิธีเจ้ามาทุกออกนี้ก็เราต้องมาอยู่กับใจของเรากายกับใจของเราเนี่ยการาเดินไปยกมือเอ่อยกมือแล้วก็เหน่อกบอแล้วเราก็มา แล้วก็ลุกขึ้นเดินอีกเดินแล้วก็มาดูความรู้สึกรู้สึกก้าวหนึ่งก็ให้รู้จักชองก้าวให้รู้จักเออหลายๆก้าวก็ให้เรารู้จักอยู่ในพอมันคิดออกนอกไปแล้วก็มากําหนดมากําหนดการเดินของเรานี่แหละการเคลื่อนไหวของเรานี่แหละเอารอเไว้ทํารอไว้อีนิมิตมันจะเกิดขึ้นให้ให้เราเห็นนนิมิตเขาเกิดขึ้นจากจากกายของเรานี่แหละนี่ความพอใจความไม่พอใจ ความอยากเปลี่ยนโน้นเป็นนี้ความคิดมาจากโน้นจากนี้มันก็เกิดจากใจเราหมดเราก็มาอาศัยตัวนี้แหละตัวความรู้ของสื่อของเราเนี่ยก็รู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักจับของเราเป็นกำบงังสิ่งที่กำบังของเราเนี่ยเหมือนเหมือนเราไปลบนนเนี่ยเนี่ยลบกับกิเลสกิเลสคืออะไรคือความคิดเนี่ยทุกอย่างนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเห็นะเห็นอ่ะมันอยากจะให้เราหนีมันไม่อยากให้เรามาพืชปฏิบัติ มันมาตัดจิตกั้นความทางเดินของพวกเราเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนนั้นเร า, เรามันเป็นนายเรานะเป็นนายของเราเลยแหละตัวเจริตนั่นนะ่ะวันนี้เราจะไปเอาอาจารย์ของเรามา อ, อคือหัวใจของเรานะี่ยอาจารย์นะ่ะพวกสูขพยาบาลเอาเรียกไปเป็นคนใช้ของเขาแล้วอยู่ที่เมืองยักษ์นั่นนะ่ะ เมืองยักษ์นี่คือสารพัดนั่นแหละใครๆก็กลัวมันเคยไมเห็นเห็นความโมโหที่ไหมเฮ้หนูนั่ น, ห น, <c oughs> น, นแหละเมืองยักษ์คือที่นั่นแหละนะเขาเรียกว่าเรียกว่ายักษ์มโมโหน่ะนั่นแหละไปอยู่โน่นหละใครไปแตะต้องมาได้เขามาว่าคินหนูคิดได้หรืสิ่งไหนที่ชอบน่ะไปเอามันไม่ได้อันนั้นน่ะมันห่วงมันหึงเห็นไหมเห็นตัวกันไหม อยู่กับคนทุกคนนั่นแหละอันที่พูดเนี่ยนั่นะแหละเขาเอาไปเป็นท่าของเขาเขาจะ ก, กินเขายังเล่นเขาจะไปที่ไหนเขามาชวนเราไปไม่ไปไม่ได้มันจะกินไม่ได้มันจะนอนไม่รับนั่นติดตะเน่เขาแล้วเขาเอาไปใช่อะ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเอายักษ์ชุมนั้นนหละไปลบกับยักษ์นั่นน่ะเนี่ยตุมยักษ์คือที่น่ะพว ก, กําลังข้ามน้ําอยู่เนี่ยพวกเราอะ่ะ เน่ยภายนาภายภายเรือนั่นเนี่ยวับไปทังนั้นวับไปทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราตกอยู่ในห่วงห่วงของของความคิดคือจะตกในอยู่ในห่วงของในในห่วงของทุบคุกนั่นแหละรเราเรามาตกอยู่ในนี้เรากําลังจะข้ามฝั่งน้ําไปจะไปหาฝั่งโน้นข้ามเหงือ น, นี่เนี่ยเนี่ยมันพายไปบางทีบางก็ตื้นขึ้น คลื่ใหญ่ๆเนี่ยควรจะพ้นจากคลืนเน่ยไม่ใช่ว่าจะได้งไงๆไปหาเมืองเมืองยักน่ะจะไปตามเอาอามาไว้เน่ยไปแล้วก็เกิดขึ้นมาก็มันมาจากไหนคลืนมาจากไหนมาจากตาหูจมูกนิ่นกลไกลนั่นแหละเออตั้งแต่อดีตอนาคตไปเอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดบางทีชังบางทีรักบางทีอยากให้เขาจิบหายอยากใจพระเช่นข้าราวีกัน บางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดอยากอิจฉาพยาบาทจ้องร่างจ้องผานกันเนี่ยมันจะเป็นอยู่นั่นแนหะคืดคำว่าคืน้นั่นแนหะเราเราเลอ้ขี K ่เรือไปเนี v ่ยไม่ใช่ว่ามันจะไปเฉยเฉยมันมีคื้คืึ้นี่นนก็คืออารมณ์ที่มันจะเกิดจิตจ า, จ า, จาใจเขาจากความคิดแหละมันเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วเราก็พยายาม ถ้าคนไม่เข้าใจก็ไปตามมันถ้าคนเข้าใจเขาจะรู้จักคนเอาที่งท้ายเอาเรือนี้ก็มีสติถ้ารวมจะไปสู้ไม่ได้ประเดี๋ยวล่มลงไปอีกถ้าเขารู้จักนะั้นเขาจะคัดท้ายให้มันรอยลองไปถลนมาทางไหก็จะเอาหัวเลือไปทางลมลมนั้นนี่แถ้าเรียขวงน้ำเราท่วมมันก็จมลงไปอีกจมลงไปนี่แหละ ไปหาเพื่อนดินพน่ ะ, ะ น, นีะบางทีโยมเราไปถ้าเรามีสติเราไปเห็นดินเราก็เหยียบดินยันขึ้นมาอีกเหมือนความคิดของเราที่เรามันโมโหมันใจจะขาดมันเป็นอะไรเหมือนอันนี้ความเปียบเพียบให้ฟังแล้วกว่าจะไปถึงชั้นนั้นก็ไปแล้วก็ไปลบกันแบบเนี่ยไปลบกับพวกตัวกิเลสพวกมารพญามาร น, นั่นแหละเนี่ย นี่แหละไปลบพญามาณ์ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยสุดแรกตั้งแต่พอไปพ้นน้ำเราก็ลบ ก, กันลบ ก, กันเนี่ยบางทีเราก็ชนะเขาบางทีเขาก็ชนะเรานี่แหละความคิดของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจีดพันห้าตั้นหาร้อยแปดจะว่ามันคิดจะข้างไหนข้างไหนก็เอามาคิดสับสนวุ่นวายคิดเล้วคิดอีกจนวายนั่นแหละ ทำไมยังมันจะเนี่ออกจากความคิดได้ก็มีครูบาอาจารยให้อารมณ์กว่าจะออกได้เนี่ยเหมือนเรานอนหลับเนี่ยนอนหลับที่ไปตีกันนั่นน่ะตีกันเคยฝันไหมเคยฝันว่าได้ตีได้ฆ่ากันไหมเลน่นหนีไปไหนก็ไปพ่นกันบางทีเขาก็ตีเราบางทีเราเขาตีเขาบางทีก็ฆ่าเข า, ขาตายก็มีนี่มันเป็นแบบนั้นฝันไปแบบ แหละเราเราเรามาปฏิบัติเนี่ยคิดเช่นอันนั้นแหละพยาบาลเพราะฉะนั้นมาเนี่ยเราอดทนไม่ใช่ว่าเรามาเล่นามาเบิกดูทุกเรื่องนั่นแหละมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ความคิดของเรานี่แหละเราจะทําให้มันเท่าทันความคิดคิดอะไรเข้ามาก็ตามอพอเราขว้าามถึงฝั่งแล้วมันจะยังไม่ได้ถึงฝั่งหน้าที่พูดมาเนี่ย ทังอยู่ในกลางทะเ ล, เลแหละนี่เราก็ค่อยๆทําไปพอทําไปทําไปนี่เราก็ถ้ามันคิดมันคิดนี่ล้วก็มันปิดอยู่ในความคิดนย่เนี่ยเราก็ต้องสร้างเข้าสร้างเจริญสติให้มันอย่าไปาตามใจตัวเองมันชวนไปทางโน้นมันชวนไปนี้เราก็ไม่ไปมันจะอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ ให้เห็นในปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นขณะที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็นถ้ามันติดไปนานๆเนี่ยเราอย่าไปหยุดอันที่จะเดยกมือเนี่ยยกมือตั้งแกวานี่ก็ให้มันได้จักระทงองซะแล้วก็เดินจงกรมอีกให้มันได้จักร่วงองซะให้เราพยายามลุกอยู่กับตัวลู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ตามอย่าไปห้ามมันความคิดอ่ะห้ามมันไปอยู่ความคิดแล้วก็ห้ามไม่ให้ไป ไปเป็นอยู่ในความคิดไม่ให้ไปเป็นไปไปอยู่กับในความคิดแล้วก็อย่าไปห้ามความคิดมันเห็นแล้วก็เลี้ยวไปมันรู้แล้วก็รู้แล้วไปเรามาอาศัยแต่ตัวรู้สึกนี่แหละมันเคลื่อนไหวนูว่เนี่ยคือเรามันเรียกเรียกเราไว้อยากเรียกไว้ตัวส ต, ติอตัว ต, ติไว้เรามายกมืออยู่เน Io, ี่ยยกเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นยกเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นยังไม่เต็มเวลาความรู้ยังไม่เต็มนะ่ะมันก็มี โทสะโมหะโลภะที่มันไปหมักดองฉันดานตั้งกองพลนในจิตใจของเรานะี้ยนะมันจะลืมไปเนะี่ยเพอลืมไปนี่เราก็อยเห็นท่วมรู้สึกชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าตัวนั้นก็ห่างออกห่างออกห่างออกไปตัวคิดเนะีนะ่ะนั่นแหละจะจะให้มันออกท่านปลกทันใจเราก็ไม่ได้แต่มันเป็นอะไรก็ตามอย่าไปวิจุดตกวิจามอย่าไปเสียอกเสียใจอย่าไปคิดถึงสิ่งที่มัน มันเคยมาให้เราดีใจเสียใจที่เราเห็นนั่นนะมันเป็นอยู่นั้นเองเราอย่าไปเสียใจมันประเดี๋ยวเราทําถูกทางมันก็ได้กลับคืนมาเหมือนเดิมถ้าเรายังอยากได้อยู่จะได้อยู่อยากให้มันเกิดมาอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไปกับเขาหมดเลยมันจะไม่มาหาเราเนี่ยให้เราพยายามถ้าอะไรเกิดขึ้นมาทําความรู้สึกให้มากๆเนี่ยรู้เห็นรู้เห็นพอ มันเข้าปั๊บมาเนี่ยเข้าพอพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยพอมันออกมามันเข้ามาเนี่ยกรขาดปั๊บไปเลยเข้ามาปุ๊บขาดปับ๊บเข้าปุ๊บขาดปับ๊บเข้ามาแล้วมันไม่มีเยื่อใยเหมือนเราเน่ยเคยปิดเคยหักลําบัวไหมนั่นแหละลำบัวเนี่ยมันยังมีใยใยมามาห้อยอยู่นะเราเราหักขาดออกแล้วมันก็ยังคายยังมีห้อยอยู่อันนี้พอขาดออกแล้วมันก็เลี้ยวไป มันไม่ไม่กลับขึ้นมาอีกเนี่ยขอให้สติของเรานั้นอ่ะให้มันเป็นมหาสติแท้ๆเถอะมันจะเกิดติดของมันเองมันจะจัดการของมันเองต้องไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องจะเห็นเพียงเพื่อว่าจะเจริญสติเนี่ยให้มันรู้เป็นไอ้ญาบดเนี่ยมันติดต่อเป็นลูกโซ่ไปติดต่อเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะตัดของมันเองมันจะขาดของมันเอง เนี่ยตัวสติตัวปัญญาของเราแท้ๆเนี่ยมันจะตัดของมันเองนี่แหละการประพฤติปมาปฏิบัติมาเนี่ยไม่ใช่มามาให้เรียนรู้เหมือนเราไปเรียนหนังสือเนี่ยให้มาประพฤติปฏิบัติเหมือนขั้นต้ผักเราขั้นต้มผักเคยเอามาเคยขั้นต้มผักไหมเออถ้าทำทำใหม่ๆเนี่ยมันขิวมันกินไม่ได้ มันไม่อยากกินไม่อยากถึงกินถ้าถูกเกลียบถีกกิ น, กนมันก็ไม่อยากไม่กลัวแล้วมันจะอ า, อาเจียนออกแล้วเนี่ยเราเนี่ยพอพอถึงสามวันสี่วันไปแล้วเอามากิ น, นอร่อยมากไม่อยากเลยการปฏิบัติธรรมา น, นี่ใหม่ๆนี่ก็เบื่อหน่ายใครเสียงสุดแล้วแต่มันจะเป็นเราจะไปมาคับอาการที่มันเกิดเกิดเมื่ อ, อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเมื่ อ, อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้น ให้เกิดอย่างนั้นให้ทําให้มันอย่าไปสงสัยอะไรให้เราทํามากๆให้มันท่วมท้นอันสิ่งที่ไม่รู้น่ะออกไปให้หมดเราอย่าไปสังเกตเราอยากให้มันคืนมาอีกอันสิ่งที่มันไม่ดีอะสิ่งที่มันมาเป็นอยู่เดียวมีแต่ตัตรูของเราเท่านั้นแหละถ้าม้มัเกิดไม่ได้นะมันเกิดมาแล้วจะไปบังคับมันหนีก็ไม่ได้ทุนแล้วตอนมันจะเกิดทุนแล้วตอนมันจะหนีไม่ต้องไป ไปไปติดไปคล้องไปแวะอันถึงนั้นมาอยู่กับตัวรู้สึกเนี่ยหายใจโลง่ลงๆโอ้มันเป็นชิ้นนั่นเองมันเป็นชิน้นนี้เองนี่แหละตัวตัวทุกความทุกของเรามันเกิดมาอยู่อย่างนี้มันตั้งทบตั้งชาติแต่เดี๋ยวดีประเดี๋ยวชั่วประเดี๋ยวทุขประเดี๋ยวทุกข์ทรัพย์นบุญไวยอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยหมดทุกคนเลยใครๆก็เป็นเหมือนกันให้เราพยายาม อย่าไปเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้รู้เฉยๆรู้เฉยๆก็มาอยู่กับตัวรู้สึกอือมันเป็นที่นั้นเองมันเป็นที่นั่นเองพระพุทธทาสท่านสอนเราหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างห้ามห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันติดจนเป็นสันดานไปแล้วถ้าเกิดจนเล็กสะสมมาจนใหญ่จนโตจนเท่าจ น, นแก่ยังทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดบัดนี้เรามาฝึกมาหัดแล้วนะ่นอะ เราต้องชนะมันเอาชนะมันได้เนี่ยเอาตัวนี้แหละตัวรู้ตัวเดียวได้เนี่ไปฝึกทําให้มากๆอย่าไปลังเลสงสัยอะไรนี่แหละพุทธศาสนาสอนเรื่องชีวิตจิตใจของเราพระพุทธศาสนาคือชีวิตจิตใจของเราอันบริสุทธิ์ไม่ไปหาไหวผีไหวสางไหวของไม่ที่เป็นสาระอย่าไปเชื่อ เชื่อจใจของเราเนี่ยไม่มีใครจะมาทําให้เราได้หรอกความศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีหรอกอยู่ในใจของเราหมดของอีกอยู่ที่ยยอยู่นอกตัวเราไปของหลอกทั้งหมดแต่ว่าเรามาอาศัยนั่นเขาเรียกว่าโลกสมมุติสมมุติมดทุกอย่างเลยในโลกของเราเนี่ยตลอดชีวิตจิตใจของเราความดีความชัว่วสม ม, มุติเฉยๆส่วนเนื้อหาสารของมันสูงสุดนะคือรู้เท่ารู้ทัน ลูกก็ถิ่มทิ้งไปทิ้งไปจนไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเอามื่ก็มันก็ไปตรวจเบิกบานอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นอะไรมาเราก็เห็นเห็นแล้วก็ไม่ไปอยู่กับเขาเห็นแล้วก็ไม่อยู่ไปอยู่กับเขาไม่อยู่ตัวรู้สึกนีแต่ก่อนเราเคยเป็นผู้เป็นเราก็เป็นผู้เขาลูกถ้าแดกเขาไปอยู่เขาหมดเขาเรียกเอาอะไรก็ดูลูกไปกับเขาหมดไปอยู่เขาหมดเลยกบทั้งกายทั้งใจเสียอยู่แต่ร่างกายเรู้สึกจิตใจชีวิตจิตใจเขาไม่หมดแล้ว แค yeah. มันเป็นนั้นถ้าเรารู้แล้วอย่างนี้มันจะไม่ถูกหลอกอลไรหลวงพ่อเพื่อนปันนี้ก็สมคอนเวลาขอยยติเพียงนวันนี้เองหังกุมีโดยประการอยู่